สมบัติของผู้เป็นพราหม์ท่านใดนั้นพราหมณโสนทันทะยืดครายขึ้นเหลียวดูบริษัทแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพวกพราหม์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติหอย่างว่าเป็นพราหมณ์และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหมณ์ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยคุณสมบัติห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลสองเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบตรายเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เพตุภาษาาสตร์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยากรชนานาญโลกายาตศาสตร์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 ทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพราหม์โสนทันทกราบทูลว่าได้ท่านพระโคโดมบรรดาคุณสมบัติหอย่างเว้นผิวพันธ์เสียอย่างหนึ่งก็ได้เพราะผิวพันธ์จะทำอะไรได้บุคคลชื่อว่าเป็นพราหม์เพราะหนึ่งเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เจตุภาษาศาสต์อสสารศาสต์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยยกรชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ 3. เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญ 4. เป็นบัณฑิตมีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชาพวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ4อย่างนี้แลว่าเป็นพราหม์และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหม์ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บรรดาคุณสมบัติ4ี่อย่างนี้หากเว้นเสียหนึ่งอย่างพวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเพียงสามอย่างว่า เป็นพรามได้หรือไม่และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพรมามก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพรามโสนทันทะกราบทูลว่าได้ท่านพระโคโดมบรรดาคุณสมบัติสี่อย่างเว้นมนเสียอย่างหนึ่งก็ได้เพราะมนจักทำอะไรได้บุคคลชื่อว่าเป็นพรามเพราะหนึ่งเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ ตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญ 3. เป็นบัณฑิตมีปัญญาลำดับที่1 ห, หรือที่สองในบรรดาพราหมผู้รับการบูชาพวกพราหมจะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้แหลว่าเป็นพราหมและเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหมก็พูดได้โดยชอบ ทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามบรรดาคุณสมบัติสามอย่างนี้หากเว้นเสียหนึ่งอย่างพวกพรามจะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเพียงสองอย่างว่าเป็นพรามได้หรือไม่และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพรามก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพรามโสนทันทกราบทูลว่าได้ท่านพระโคโดมบรรดาคุณสมบัติสามอย่าง เว้นชาติกําเนิดเสียอย่างหนึ่งก็ได้เพราะชาติกําเนิดจกทําอะไรได้บุคคลชื่อว่าเป็นพราหม์เพราะ 1. เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญ 2. เป็นบัณฑิตมีปัญญาลําดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชาพวกพราหมณ์จะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ2 อ, อย่างนี้แลว่าเป็นพราหมณ์และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหมณ์ก็พูดได้โดยชอบ ทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยเมื่อพราหมณทันทะกราบทูลอย่างนี้พวกพราหมณเหล่านั้นกล่าวว่าท่านโสนทันทะอย่าพูดอย่างนั้นเลยท่านโสนทันทะอย่าพูดอย่างนั้นเลยท่านโสนทันทะลบหลู่ผิวพันธุ์ลบหลู่มนต์ลบหลู่ชาติกำเนิดพูดคล้อยตามวาทะของพระสมณะโคดมถ่ายเดียวเท่านั้นลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถ้าพวกท่านคิดว่าพราหมณ์โสนทันทะศึกษามาน้อยพูดไม่เพราะโง่เขลาและไม่สามารถเจรจาโต้อตอบกับพระสมณะโคดมได้พราหมณ์โสนทันทะจงหยุดพวกท่านจงเจรจาโต้อตอบกับเราแทนแต่หาพวกท่านคิดว่าพราหมณโสนทันทะศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสา ม, มารถเจรจาโต้อ ต, ตอบกับพระสมณะโคดมได้พวกท่านก็จงหยุดพราหมณโสนทันทะ จงเจรจาโต้อตอบกับเราต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พราหมณโสทันทะเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคโดมทรงหยุดทรงนิ่งเถิดข้าพระองค์เองจกตอบพวกเขาโดยชอบแก่เหตุแล้วกล่าวกับพวกพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าได้พูดอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยว่าท่านโสนทันทะลบหลู่ผิวพันธุ์ ลบหลู่มนลบหลู่ชาติกําเนิดพูดคล uh ้อยตามวาทะของพระสมณโคดมถ่ายเดียวเท่านั้นแท้จริงเราไม่ได้ลบหลู่ผิวพันธุ์มนหรือชาติกําเนิดเลยเวลานั้นอังกัตกานพผู้เป็นหลานของพราหมณธันทะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยทีนั้นพราหมณธันทะได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย เห็นอังกกะมานพหลานของเรานี้หรือไม่เห็นขอรับอังกกะมานพเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพันธุ์ผุดผ่องยิ่งนักดุจพรมมีกายดุจพรมโอกาสที่จะเห็นยากนักในที่ประชุมนี้นอกจากพระสมณโคดมแล้วไม่มีใครมีผิวพันธุ์เสมอกับอังกกะมานพเลยอังกกะมานพเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมลรู้จบตรเพศ พร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกโตพศาสตร์อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยยกรชำนาญโลกายาตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเราเป็นผู้บอกมนแก่เขาอังกกะมานบเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตําหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล เรารู้จักบิดามารดาของเขาแต่อังคกะมานบยังฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ล่วงละเมิดพัญญาของผู้อื่นกล่าวเท็จ ด, ดื่มน้ำเมาในกรณีอย่างนี้ผิวพันธุ์มนและชาติกาเนิดจกทำอะไรได้เล่าเพราะบุคคลชื่อว่าเป็นพรามเพราะเป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญและเป็นบัณฑิต มีปัญญาลำดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพราหม์ผู้รับการบูชาพวกพราหม์เรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสองอย่างนี้แหลว่าเป็นพราหม์และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหม์ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วย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 เพราะปัญญาต้องมีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ปัญญาย่อมมีในที่ที่มีศีลศีลย่อมมีในที่ที่มีปัญญาปัญญาย่อมมีแค่ผู้มีศีลศีลย่อมมีแค่ผู้มีปัญญานักปรายยกย่องศีลและปัญญาว่าเป็นสิ่งล้ำเลิศในโลกเปรียบเหมือนบุคคลใช้มือล้างมือหรือใช้เท้าล้างเท้าฉันใด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 ปัญญานั้นเป็นอย่างไรพราหมณ์ธันทะทูลตอบว่าท่านพระโคโดมในเรื่องนี้พวกฆ้าพระองค์มีความรู้เพียงเท่านี้ขอประธานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดขยายความให้ชัดเจนด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะ บ, บอกเขาทูลรับสนองพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีร พ, รพระภาคตรัสว่าพรามตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบและถึงพึงนำข้อความเต็มในสามัญญผลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลและถึงบรรลุปถมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่ บรรลุจตุทัชฌานอยู่และถึงน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะและถึงนี้เป็นปัญญาของภิกษุนั้นและถึงรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทาเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้เป็นปัญญาของภิกษุนั้นพรามปัญญานั้นเป็นอย่างนี้แล พม hm, โสนธันทะประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พราหมณโสนทันทะได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาะสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิด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 โปรดรับพระตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุสเนีทีนั้นพรามโสนธันทะทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้ลุกจากอาสนะกราบพระผู้มีพระภาคแล้วกระทาประทักษิณจากไปครั้นผ่านคืนนั้นไปพรามโสนทันทะ สั่งให้จัดของขบชันอย่างประณีตไว้ในนิเวศของตนแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการว่าท่านพระโคโดมได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพรามโสนทันทะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้พรามโสนทันทะได้นาของขบชันอันประนี พระเคนพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตแล้วพรามโสนธันทะจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าข้าพระองค์อยู่ในถ้ำกลางบริษัทจะลุกจากที่นั่งไปกราบท่านพระโคดมก็จะถูกบริษัทดูหมินเพราะเหตุนั้นได้ ผู้ถูกบริษัทดูหมินจะเสื่อมยศผู้เสื่อมยศจะเสื่อมโภกสมบัติเพราะมียศข้าพระองค์จึงมีพวกสมบัติถ้าข้าพระองค์อยู่ใน่้ำกลางบริษัทจะประนมมือขอท่านพระโคดมทรงทราบว่านั่นแทนการลุกจากที่นั่งไปต้อนรับถ้าข้าพระองค์อยู่ในท้ำกลางบริษัทจะแก้ผ้าโภกศีษาออกขอท่านพระโคดมทรงทราบว่า นั่นแทนการกราบด้วยเสียงกล้าวถ้าฆ่าพระองค์อยู่ในยานพานะจะลงไปกราบท่านพระโคดมบริษัทก็จะดูหมิ่นเพราะเหตุนั้นได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะเสื่อมยศผู้เสื่อมยศจะเสื่อมโภกสมบัติเพราะมียศข่าพระองค์จึงมีโภกสมบัติถ้าข่าพระองค์อยู่ในยานพานะจะยกประตักขึ้นขอท่านพระโคโดมทรงทราบว่า นั่นแทนการลงจากยานพานะไปต้อนรับถ้าข้าพระองค์อยู่ในยานพานะจะลดร่มลงขอท่านพระโคดมทรงทราบว่านั่นแทนการกราบด้วยเสียงกล้าวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้พรามโสนทันทะเห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหาแกล้าวกล้า ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จจากไปโซนทันทสูตรที่สจบ 5. กูตะทันตะสูตร ว่าด้วยพราหม์ชื่อกูตะทันตะเรื่องพราหมณ์และขหาพดีชาวบ้านขานุมัดเข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์ชาวมคธชื่อขานุมัดประทับอยู่ในสวนอัมพลติกาใกล้หมู่บ้านขานุมัดสมัยนั้นพราหมณ์กูตะทันตะ ปกครองหมู่บ้านขานุมัตซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยส่วนพิเศษในเวลานั้นพราหมูตะทันตะกำลังเตรียมพิธีบูชามาหายันโคเพศผู้ลูกโคเพศผู้ลูกโคเพศเมียแพะและแกะ อย่างละเจ0ร้อยตัวถูกนำเข้าไปผูกที่หลักเพื่อฆ่าบูชายันพรามและขะาบดีชาวบ้านขานุมัตได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคโดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกพนวจากสักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแควนมคตรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500ร้อรูปเสด็จถึงหมู่บ้านขานุมัตโดยลำดับประทับอยู่ในสวนอัมพาธิกาใกล้หมู่บ้านขานุมัต ท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงสแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน การได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงต่อมาพรามและขหบดีชาวบ้านขานุมัตออกจากหมู่บ้านขานุมัตเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสวนอัมพลธิกาขณะนั้นพรามกูตะทันตะพักผ่อนกลางวันอยู่ณประสาทชั้นบนมองเห็นพรามและขหบดีชาวบ้านขานุมัตออกจากหมู่บ้านขานุมัตเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสวนอัมพลธิกา จึงเรียกอำมาตย์ที่ปรึกษามาถามว่าพ่ออำมาตย์พราหมณ์และขหบดีชาวบ้านขานุมัติออกจากหมู่บ้านขานุมัติเดินรวมกันเป็นหมู่ไปยังสวนอัมพระติกาทําไมกันอำมาตย์ที่ปรึกษาตอบว่าท่านขอรับพระสมณโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จออกผนัวจากศักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูป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 เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุเทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคคนเหล่านั้นพากันไปเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมนั้นลำดับนั้นพรามกูตะทันตะคิดว่าเราได้ยินมาว่าพระสมณะโคโดมทรงทราบยันสมบัติสามประการมีองค์ประกอบ16ส่วนเราไม่รู้เลยแต่ปรารถนาจะบูชามหายันทางที่ดี เราควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมแล้วทูลถามยันสมบัติสามประการซึ่งมีองค์ประกอบสิหพราหมณ์กูตะทันตะจึงเรียกอำมาตที่ปรึกษามาสั่งว่าพ่ออำมาต ถ, ถ้าอย่างนั้นท่านจงไปหาพราหมณ์และข้าพดีชาวบ้านขานุมัดครั้นแล้วจงบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับพราหมณ์กูตะทันตะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อน พรามกูตะทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยอา ม, มาตที่ปรึกษารับคำของพรามกูตะทันตะแล้วเข้าไปหาพรามและข้าพบรีชาวบ้านขาหนุมัติครั้นแล้วก็บอกว่าท่านขอรับพรามกูตะทันตะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนพรามกูตะทันตะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วย ความเป็นผู้ดีของพรามกูตทันตะเวลานั้นพรามหลายร้อยคนพักอยู่ในหมู่บ้านขานุมัตเพราะตั้งใจจะบริโภคมหาญา์ของพรามกูตทันตะพอได้ฟังว่าพรามกูตทันตะจกไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยจึงพากันไปหาพรามกูตทันตะครั้นเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านกูตทันตะจกไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมจริงหรือ พรามกูตะทันตะตอบว่าใช่เราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมพวกพรามห้ามว่าท่านกูตทันตะอย่าได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมเลยท่านกูตทันตะไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมถ้าไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเกียรติยศของท่านกูตทันตะจะเสื่อมเสียเกียรติยศของพระสมณโคดมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ท่านกูตรทันตะ จึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระส ม, มณโคดมพระส ม, มณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านกูตทันตะเพราะว่าท่านกูตะทันตะเป็นผู้มีชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตําหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านกูตทันตะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้าพระส ม, มณโคดม พระสมณโคโดมตังหากควรจะเสด็จมาหาท่านกูตะทันตะอันหนึ่งท่านกูตะทันตะเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและถึงเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตเตโตภาษาศาสตร์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยากรชำนาญโลกายศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ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 เหล่านโผู้ต้องการมนจำนวนมากจากทิศทางต่างชนบทพากันมาเรียนมนในสำนักของท่านกูตะทันตะท่านกูตะทันตะเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากส่วนพระสมณะโคโดมเป็นคนหนุ่มบัวแต่ยังหนุ่มท่านกูตะทันตะเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตและพรามโปคะสาติสักระเคารพ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 พระสมณะโคโดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านกูตะทันตะพราหม์กูตะทันตะแสดงพระพุทธคุณเมื่อพวกพราหม์กล่าวอย่างนี้ พรามคูตัทันตะได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านโปรดฟังเราบ้างเรานี่แหละควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมท่านพระโคดมไม่ควรเสด็จมาหาเราได้ทราบว่าพระสมณะโคดมทรงเป็นผู้มีพระชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านพระโคโดมไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมท่านทั้งหลายข่าวว่าพระสมณโคโดมทรงละพระประยุตรญาตผนวดแล้วละถึงทรงสละทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินและในอากาศผนวดแล้ว พระสมณโคดมกำลังหนุ่มแน่นมีพระเกษาดำสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังไปพนวดเป็นบรรปชิตเมื่อพระชนกพระชนนีไม่ทรงปรารถนาจะให้เสด็จออกพนวดมีน้ำพระเนรชุ่มพระพักทรงกันแสงอยู่พระสมณโคดมทรงปลงพระเกษาและพระมสุแล้วครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวัง ไปผนวชเป็นบนรรพชิตพระสมณโคโดมมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีพระวรากายดุจพรหมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักพระสมณโคโดมทรงมีอริยศีลมีศีลที่เป็นกุศลประกอบด้วยศีลที่เป็นกุศลมีพระวาจาไพเราะสุภาพประกอบด้วยถ้อยคําอ่อนหวานอย่างชาวเมือง นุ่มนวลเข้าใจง่ายทรงเป็นอาจารย์และปาจารย์ของหมู่ชนมากมายทรงชิ่งกามราคะไม่ประดับตกแต่งทรงเป็นกรรมวาทีกิริยวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพราหมณ์ผนวดแล้วจากตระกูลสูงคือขัติยะตระกูลอันบริสุทธิ์ผนวดแล้วจากตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากประชาชนต่างบ้านต่างเมืองพากันมาทูลถามปัญหาพระสมณะโคดม ทวยเทพหลายพันองค์ถวายชีวิตถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งพระสมณะโคดมทรงมีพระิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระสมณะโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการทรงมีปกติตรัสเชื้อเชิญตรัสผูกมิดไมตรีอ่อนหวานไม่ทรงใยิวพระพักทรงเบิกบานมักตรัสทักทายก่อนทรงเป็นผู้ที่บริษัทธสักระเคารพนับถือบูชาโนบน้อมเทวดาและมนุษย์มากมายเลื่อมใสพระสมณโคดม พวกอนมนุษย์ย่อมไม่เบียดเบียนมนุษย์ในหมู่บ้านหรือนิคมที่พระสมณโคโดมทรงพำนักอยู่พระสมณโคโดมทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นคณาจารย์ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเจ้าลัติอื่นๆไม่ทรงรุ่งเรืองพระยศเหมือนพวกสมณพราหมณ์ที่รุ่งเรืองยศที่แท้ทรงรุ่งเรืองพระยศเพระทรงมีวิชาและจรณะอันยอดเยี่ยมพระเจ้าพินพิสารจอมทัพมคต พร้อมทั้งพระราชโอรสพระมเหสีขราชบริพารและหมู่อมรตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพระเจ้าเประเซนที่โกศลพร้อมทั้งพระราชโอรสพระมเหสีขราชบริพารและหมู่อมรตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพราหมณ์โปกระสาติพร้อมทั้งบุตรภัญยาขราชการและหมู่อมรต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 พระสมณเโคโดมเสด็จถึงหมู่บ้านขานุมัตโดยลำดับประทับอยู่ที่สวนอัมพลธิกาใกล้หมู่บ้านขานุมัตท่านทั้งหลายสมณพราหมณ์ที่มาเขตหมู่บ้านของเราจัดว่าเป็นแขกของเราซึ่งพวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมพระสมณเโคดมเสด็จมาถึงหมู่บ้านขานุมัตโดยลำดับประทับอยู่ที่สวนอัมพลธิกาใกล้หมู่บ้านขานุมัต พระสมณโคดมจึงจัดเป็นแขกของเราที่พวกเราควรสักการะเคารพนับถือบูชาและนอบน้อมด้วยเหตุนี้พระสมณโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเราเราต่างหากควรไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมเราทราบพระคุณของพระสมณโคดมเพียงเท่านี้แต่พระสมณะโคดมไม่ใช่ว่าจะมีพระคุณเพียงเท่านี้แท้จริงแล้ว พระสมณโคโดมมีพระคุณนับประมาณมิได้เมื่อพราหมกูตะทันตะกล่าวอย่างนี้พราหมเหล่านั้นได้กล่าวว่าท่านกูตะทันตะกล่าวยกย่องพระสมณโคโดมถึงเพียงนี้ถึงหากท่านพระโคโดมพระองค์นั้นจะประทับอยู่ไกลจากที่นี่ตั้งร้อยโยต์ก็สมควรอยู่ที่คุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเข้าเฝ้าแม้จะต้องขนเสบียงไปก็ควร พรามกูตะทันตะกล่าวว่าพวกเราทั้งหมดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันเรื่องยันของพระเจ้ามหาวิชิตราช ต่อมาพราหมณกูตะทันตะพร้อมด้วยคณะพราหมณ์มู่ใหญ่พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่สวนอัมพลติกาได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคครั้นสนทนาพอคุ้นเคยดีแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรฝ่ายพราหมณ์และขหบดีชาวบ้านขานุมัติบางพวกกราบพระผู้มีพระภาคบางพวกสนทนาบางพวกไหว้ไปทางพระผู้มีพระภาคบางพวกประกาศชื่อและตระกูล บางพวกนิ่งเฉยแล้วนั่งนาที่สมควรพรามกูตะทันตะนั่งลงกราบทูลว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระสมณะโคโดมทรงทราบยันสมบัติสมประการซึ่งมีองค์ประกอบ16ส่วนข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ปราถนาจะบูชามหายันขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงยันสมบัติสามประการ ซึ่งมีองค์ประกอบ16กแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะแสดงพรามกูตะทันตะทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพรามเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะามากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลังต่อมาเท้าเธอประทับอยู่ตามลำพังทรงคิดคำหนึ่งว่าเราได้ถือครองโภกสมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่างมากมายได้เอาชนะแล้วครอบครองดินแดงที่กว้างใหญ่ทางที่ดีเราพึงบูชามหาญา์ที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานเท้าเธอจึงรับสั่งให้เรียกพรามปโรหิตมารับสั่งว่า พรามวันนี้เราพักอยู่ตามลำพังเกิดความคิดคำหนึงขึ้นว่าเราได้ถือครองพู้สมบัติที่เป็นของมนุษย์อย่างมากมายได้เอาชนะแล้วครอบครองดินแดนที่กว้างใหญ่ทางที่ดีเราพึงบูชามาหายัน n a ที่จะเอื้ออํานวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลละนานพราหม์เราปรารถนาจะบูชามาหายัน n a ขอท่านผู้เจริญโปรดแนะนําวิธีบูชายันต์ ที่จะอำนวยปความสะดวกแก่เราตลอดกาลนานเมื่อเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้พราหมุโรขิดกลาบทูลว่าบ้านเมืองของพระองค์ยังมีเสี้ยนน้ำมีการเบียดเบียนโจรยังปล้นบ้านปล้นนิคมปล้นเมืองหลวงดักจี้ในทางเปลี่ยวเมื่อบ้านเมืองยังมีเสี้ยนน้ำพระองค์จะโปรดให้ฟื้นฟูพลีกรรมขึ้นก็จะชื่อว่าทรงกระทําสิ่งที่ไม่สมควร พระองค์มีพระราชดำริอย่างนี้ว่าเราจะปราบปรามเสี้ยนน้ำคือโจรด้วยการประหารจองจําปรับไหมตําหนิโทษหรือเนรเทศอย่างนี้ไม่ใช่การกําจัดเสี้ยนน้ำคือโจรที่ถูกต้องเพราะว่าโจรที่เหลือจากที่กําจัดไปแล้วจกมาเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ในภายหลังได้แต่การกําจัดเสี้ยนน้ำคือโจรที่ถูกต้องต้องอาศัยวิธีการต่อไปนี้คือ หขอให้พระองค์พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขมักขม่นในเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเมืองของพระองค์ 2. ขอให้พระองค์พระราชทานต้นทุนให้แก่พลเมืองผู้ขามัก ข, ขม้นในพาณิชยกรรมในบ้านเมืองของพระองค์ 3. ขอให้พระองค์พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมืองของพระองค์ พลเมืองเหล่านั้นจะขวนขวายในหน้าที่การงานของตนไม่พากันเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์และจกมีกองพระราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองก็จะอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี่ยนน้ำไม่มีการเบียดเบียนประชาชนจะชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านพระเจ้ามหาวิชิต ร, ราชทรงรับคำของพรามปุโรหิตแล้ว ได้พระราชทานพันุ์พืชและอาหารแก่พลเมืองที่ขมักขม้นในเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว์พระราชทานต้นทุนให้แก่พลเมืองผู้ขมักขม้นในพาณิชยกรรมพระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในบ้านเมืองของพระองค์พลเมืองเหล่านั้นค้นคว้าในหน้าที่การงานของตนไม่พากันเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ และได้มีกองพระราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี่ยนน้ำไม่มีการเบียดเบียนประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านต่อมาเท้าเธอรับสั่งให้พรามปูโรหิตเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเราได้กำจัดเสี่ยนน้ำคือโจรจนหมดสิ้นด้วยวิธีการของท่านและได้มีกองราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่ บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นไม่มีเสี่ยนน้ำไม่มีการเบียดเบียนประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกันมีความสุขกับครอบครัวอยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้านเราปรารถนาจะบูชามหายันขอท่านผู้เจริญโปรดแนะนำวิธีบูชายันที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานพรามปุโรหิต จ, จึงกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่ง ให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญอำมาตย์ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์โปรดรับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาศาลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์และโปรดรับสั่งให้เชิญข้าบดีผู้มั่งคั่ง ที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชนาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายันขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกับเราเพื่ออำนวยประโยชน์สุแก่เราตลอดกาลนานพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงรับคำพรามปโรหิตแล้วรับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบท ทั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์รับสั่งให้เชิญอํามาตะราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์รับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาราลที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์และรับสั่งให้เชิญข้าพเดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายันขอพวกท่านผู้เจริญจงร่วมมือกับเราเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลละนานคนเหล่านั้นกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงบูชายันเถิดตอนนี้เป็นเวลาบูชายันบุคคลสี่พวกนี้ที่เห็นชอบตามพระราชดำริจะเป็นองค์ประกอบของยันนั้น